นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรมะคอมอาตมาพระไพบุญอภิปุโนจากว่าป่าเราไหนโศกทุกสัปดาห์เขจะมากับคุณหมอรัตพงศ์ครับกล่าวนมัสการและกลาบสวัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมทันตแพทย์นัฐธพงศ์กนกวชรุลครับอตอนนี้เป็นเอพิโซดที่เท่าไหร่แล้วคุณหมอ59าสิบเกครับห้ครับในเดือนนี้ยังอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ครับซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักของปีพุทธศักรสอันหบห้าในหลายๆท่านก็จะมี เรื่องราวอะไรต่างๆเกิดขึ้นเดินอย่างความรักใช่ไหมมีปัญหาอะไรบ้างเดินอย่างความรักก็จริงเมื่อเมื่อวันก่อนคุณหมอระพงจะเล่าใฟังครับครับรายการอะไรของ FM106 อ่ะชื่อคุณไก่ไก่มีสุขเออมีสุขเนี่ยแจ้งมีสุขครับอ่าแล้วก็ได้คุยกันมาถามมาจะมาพอดีโทรมาให้สัมภาษณ์ออกรายการวิทยุประมาณสัก10นาทีนี่แหละครับว่าเอถ้าอกหักแล้วทำยังไง หลายๆคนอกหักเห็นกูหรืมีความรักตัวเองรู้สึกช้ำใจในหัวใจเนี่ยทำไมเราไม่มีกู้เลยเราจะทำยังไงอย่างี้นะครับอันนี้ก็คงจะมาพูดประเด็นนี้กันครับผมเราได้เคยอ d ด r e s เรื่องนี้ไปก่อนแล้วเนาะในตอนที่สักตอนหนึ่งเมื่อของปีที่แล้วในตอนสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดตรงนั้นว่าถ้าเวลาที่เราจะอยู่คนเดียวเนี่ยคือความรักความ ความรักเนี่ยนะคุณมอรณตพงที่เขานิยมจะพูดกันโฆษณาการอะไรเนี่ยก็คือเป็นความรักที่เกี่ยวเนื่องด้วยกามตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายก็ไปหอย่างครับทีนี้เราเรากำลังจะโปรโมทในรายการของเราโดยคําส่งพระเจ้าเนี่ยก็คือว่าเราโปรโมทอย่างที่6กนั่นคือความรักที่เกิดจากในใจความรักที่ไม่ต้องมีอามิตรสมมุติหนุ่มสาวเขารักกันนะหมอ ร, รัพงศ์ใชแม่ฉันรักเธอจริงจริงอ้ทำไมเธอไม่บอกว่าเธอรักฉันตอบ มันเป็นนี้ ค, คือเขาเอกมี expectation ่าให้คนอื่นเนี่ยมารักเราตอบใช่ครับนะทีนี้มันมันจึงพอเขาไม่ทำอย่างที่เราหวังเราก็เริ่มจีด๊ดผิดหวังผิดหวังแน่ครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราทำไงมันก็จะรู้สึกชำ้ำนะมันเหมือนกับว่ า, ามันถูกหักหลังอนะนทีนี้ก็ถูกถูกหักอกคุณหวังแล้วไม่ได้มันก็หักจิตก็แตกอนะนี่คือลักษณะของอาการคนอกหกัก อคือไม่ได้อย่างที่หวังแล้วมันไม่ใช่อยู่ในเรื่องนี้เรื่องเดียวนะหมรัตวงไม่ใช่อยู่กับในเรื่องของคนคู่นะครับอย่างเราหวังอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งสอบเข้ามาไม่ได้ให้ได้นะหรือว่าหวังว่าขายงานได้หวังสอบให้ผ่านในพวกนี้คือเรื่องเดียวกันหมดหวังแล้วขอให้ได้อย่างที่หวังแล้วมันไม่ได้อคือเรื่องอกหักหมดเลยนี่คือเรื่องอกหักหมดคือปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั่นคือความทุกข์ครับอืม แล้วไอการที่เราปรารถนาสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเนี่ยยิ่งถ้ามันเป็นกามนะคุณฟันธงเลยถึงได้วันนีว้วันหน้าเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นตามหลักของอา น, นิจังเปลี่ยนแปลงไปเสมอใช่นะแล้วก็ไอการเปลี่ยนแป ล, แปลตงตรงนี้มันก็ไม่ได้สิ่งที่เราจะควบคุมได้หรือซ้าใช่ครับทีนี้เมื่อเราเจอบรรยากาศอื่นๆรอบข้างเนี่ยแหมมันมาโน้มน้าวหน่วงเหนี่ยวบีบคั้นให้เราเป็นอย่างที่สิ่งวัตถุ ม, มันสะพายเป็น รเราดูข่าวดูทีวีฟังมิวสิกวิดีโอโอ้เป็นช้าใจหรือว่าผู้หญิงบางคนมาปฏิบัติธรรมที่วัดว่อาอ๋อเธอมาทำไมลาวัด อ, อกหักเหรอน่น ม, มันก็เป็นคําถามที่แล้วยังไงใช่ไหม ค, คือเราพยายามจะแก้ปัญหาในชีวิตเราคน อ, อกหกักคนช้าใจคนหาแฟนไม่ได้แล้วมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันยังดีกว่าคุณไม่ทําอะไรในชีวิต จริงครับถึงแม้เราจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วยังไงฉันยังทําอะไรอยู่ฉันก็ยังดีในกอนที่ฉันยังสามารถที่จะคิดอะไรทําอะไรได้ในสิ่งที่เป็นกุศลแต่ ค, คนที่อกหกักช้ําใจปวดใจแล้วก็ไปหากินเหล้ากินเบียร์ไปหาความสุขอื่นที่จะเกิดจากทางการโดยหวังคิดว่าความทุกข์เบียดนาที่เกิดขึ้นในจิตนั้นจะ ร, รังรับได้ด้วยการ ม, มาสุขอันนั้นเป็นความคิดของปุถุชนอื ม, อม สิ่งไม่ถูกต้องใช่ไหมครับโอ้ยคุณหมอรัพงศ์รู้ไหมว่าเอาแค่ว่าเรามาคิดว่าเอ้ยฉันหันเข้าหาธรรมะดีกว่าอันนี้คุณมีสัมมาทิฏฐิแล้วนะคุณอยู่ในเป็นอริยบุคคลแล้วนะเป็นโสดาปติมากรแล้วนะครับนี่หมว่าคุณเดินอยู่ในขนทานที่ทําให้คุณบรรลุปเป็นโสดาบัลอืมครับอ่แค่นี้คุณคิดว่าเออฉันมาวัดคนอื่นจะว่ายังไงเฮ้ยฉันเป็นอริยบุคคลน ะ, ะแต่ยังไงเธอว่าฉันฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ฉันก็ไม่ยกตนข่มเธอเพราะข้อที่ฉันเข้าวัดเป็นเหตุใช่ครับอืมครับ แล้วในเรื่องของคนคู่เนี่ยมันเป็นเพราะเรื่องของการต้องเสพการนะคน ค, รคู่คืออาการที่ต้องเสพการไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ไปกรนหนุกระหนิงการไปกินข้าวกาันนะซื้อของให้กันซื้อต่อมาให้กันนี่เป็นความสุขที่เกิดจากตาหูจมกูกลิ้นไกยทั้งสิน้นเป็นความสุขที่ไม่ควรเสพครับเป็นความสุขที่ไม่ควรเสพไม่ควรทำให้นนา ม, มากพระพุทธเจ้าบอกไว้เลยใช่ไหมครับเป็นสุขที่ควรควรกลัวเป็นสุขวกลัวควรหลีกเลี่ยงนะแล้วก็ ไม่ควรทําให้มากไม่ควรทําให้เจริญครับแต่สุขที่เกิดจากความสงบระงับนะคือสุขที่เกิดจากการหลีกออกจากกามนะพวกนี้เป็นความสุขที่เกิดจากเนคคัมมะความสุขในภายในความสุขที่เป็นความสุขระงับประณีตแต่เป็นของที่ทําควรทาให้มากควรทาให้เจริญเพราะะฉนั้นเรามันจะมาเลอเลเยอัลนะรถแมพของความสุขเนี่ยถ้าข้าไปรถแมพของความรักเนี่ยนะมันจะไล่ขึ้นมานะหมารุพง์ตั้งแต่ ความรักอย่างของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยหรือของพวกเซตซิงเกิลเซอร์แมกโรอักาแนห์นีซึ่อย่างเงี้ยมันก็แบ่งเป็นเพศแล้วมันก็ อ, อผสมพันธุ์กันใช่ไหมมันก็แยกไปแยกลูกกับแม่ก็ผสมกันไปอีกเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปนั้นโดยที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันทั้งสิน้นอืครั บ, ค, รบคือแค่ทําเป็นแบบงานแบบแมกเนิกขึมมมมม้นมาหน่อยก็สัตว์ที่อย่างมาพวกนี้หรือสัตว์ที่สมสู่ส้ำซ้อนกันอย่างที่ไม่มี ความเกลียไม่มีอย่างอายไม่มีเป็นแบบหลายหัวหลายเมียครับก็จะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างมั่ว น, นิดหนึ่งซึ่งมนูนด้วย บ, บางคนก็เป็นอย่างนั้นนะมูนุษวย บ, บางคนเนี่ยมั่วนะเป็นหลายหัวหลายเมียมีกิ๊กมีอะไรต่างๆซึ่งก็ ค, คุณทําตัวเหมือนธรรมชาติของสัตว์ในดิฉานเขาครับแต่ธรรมชาติของมุษด์เป็นยังไงอย่างน้อยธรรมชาติของมุษด์ถ้าคุณจะมีความรักในเรื่องของการคือคนคาราวาเนี่ยมันต้องเสพการนะหมอรัฐวงศ์เราปฏิเสธไม่ได้ถ้าคุณไม่ต้องการเสพการคุณก็มาบวชซะ ในนี้่าถ้าคุณยังต้องการเสพการอยู่มันก็ขอให้มีลิมิตบ้างลิมิตนะคือยังมีบาตรฐานของคนธรรมดามาตรฐานของคนดีที่เขาจะสามารถทํากันได้นั่นคือหูวเดียวมีเดียวหัวเดียวมีเดียวเหมือนอย่างสัตว์บางประเภทนกบางประเภทอย่างเงี้ยมีคู่เดียวนกเออแล้วก็อยู่กันจนตลอดจนตลอดชีวิตเลยนะซึ่งตรงนี้เราจะพบว่าเออมเป็นธรรมชาติของคนดีคนประเสริฐคนที่ออย่างน้อยถึงแม้เราจะรุ่มหลงในการบ้างแต่เราก็ไม่ถึงขนาดที่ทําให้ มีปัญหาในชีวิตเพราะว่าคนที่แบบเปลี่ยนไปเรื่อยนะหมอฤทธิพงศ์เปลี่ยนไปเรื่อยแต่คนนี้คนนั้นต่อเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยนั่นคือการเสพกามนะทีนี้ทีนี้ถ้ามันมันไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะ ค, รคือหมายความว่ายังไงมันก็มีปัญหาอยู่ดีนะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นพระเจ้าเปรียบเหมือนกับสุนัขแทะกระดูกนะหรือว่านกตระกลุมเนี่ยคาบชิ้นเนื้อมาพอคาบมาเสร็จแล้วเนี่ย ไอ้นกตัวอื่นมันเห็นปุ๊มันก็จะมาโฉบแย่งใช่หรือว่าหมาแทะกระดูกเนี่ยมันไม่ได้กินอะไรนอกจากมันไม่สามารถคลายความหิวในท้องมันได้เลยนะแต่มันก็หวงเอาไว้ตัวอื่นก็มาแย่งมันก็ไม่ให้มันก็กัดกันลักษณะนี้เหมือนกันเพราะนั้นมันจะมีปัญหาตามมามากมายจากการแสวงหาความสุขในประเภทนี้มีศัตรูเพิ่มขึ้นอย่างนี้ใช่ครับแล้วถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วนะให้ทําไมแฟนฉันไม่ทําอย่างนี้คุณก็เป็นเพื่อนกันก็ได้คุณจะมีความสบายใจมากขึ้นใช่ครับอก็อยู่ไปเป็นเพื่อนอย่างนี้แหะ แล้ก็ไม่ต้องมีเสียไรมากใช่ไหมแล้วก็ยังยังจะดีสั ก, กว่าครับ แ, แล้วในการนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะสำหรับขั้นต่อไปของความสุขเนี่ยอของความรักเนี่ยก็คือว่าความรักที่ปราศจากกามในเช่นว่ามารดารักลูกอย่างเงี้ยแต่ความรักที่ปราศที่ยังมีกามอยู่ในนั้นเหราพูดมันมี expectation ให้คุณอื่น response ในทางที่เราต้องการครับใช่<ต>ครับแต่ความรักที่ปราศจากกามเนี่ยคือความรักที่เรียกว่า unconditional love เหมือนความเมตตาไหมครับอความรักความเมตตาอย่างนี้นี่เองคือความรักที่อย่างแม่มีต่อลูกชบุตรที่เกิดในคันบุตรคนเดียวที่ผู้เกิดในคันของตนนำมาดาถนอมชีวิตบุตรคนเดียวที่เกิดในคันของตนฉันได้แต่เราก็เจริญเมตตาอันเป็นจิตภัยบุญใหญ่หลวงกว้างขวางในบรรดาสัตว์ตั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันครับคือว่าความรักความเมตตาชนิดที่ว่าไม่ต้องได้สุดเออลูกลูกจะขี้จะเยี่ยวจะร้องไห้จะยิ้มจะทำหน้าแบะจะ อะไรก็แล้วแต่แม่ก็ยังรักลูกเหมือนเดิมตอนที่คลอดมามใหม่ๆอุ้มอยู่ใน ค, คันอย่างนี้นะความรักอย่างตรงนั้นแหละคือไม่ต้องต้องการอะไรกลับเลยไม่ต้องการอะไรกลับเป็น unconditional love รเราพัฒนาจิตให้เราไล่ขึ้นไปอย่างนี้ได้ไหมอย่างน้อยแม่นี่ยนะยอมสละชีวิตของแม่เนี่ยเพื่อรักษาลูกไว้ก็ได้แค่ชาตินี้นะ ค, ความความกรุณาของพระเจ้าเนี่ยก็ไล่ขึ้นไปอีกนะรักษาเราจากความที่ต้องตายแล้วแต่อีกเป็นอนเนกชาต ใชในที่สัปดาห์ที่ก่อนๆ น, นู้นเราเคยพูดกันมาเมื่อสสัปดาห์ที่แล้วแล้วเาพระอริยเจ้าเหล่านั้นก็เหมือนกันแต่ทนะ่านก็เป็นผู้ที่จะคอยชีย้นําทางเบิดแสงสว่างในที่มืดเอาไว้ให้เราได้คอยเห็นสิ่งต่างๆไปได้อ <ừ> อืืทีนี้เราจะพัฒ น, นาจิตของเรายัางไงให้มีความรักที่สูงส่งขึ้นต้องทําังไงครับทีนี้เอาขอพูดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักแบบต่ําๆซะหน่อยก่อนนิดนึงนะ คือความรักที่ยังเกี่ยวข้องด้วยการต้องการ expect ว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงี้นะทั้งเรื่องของชายและหญิงทั้งเรื่องของปรารถนาสิ่งที่เราต้องการอะไรต่างๆจะอยู่ในหมวดนี้ทั้งหมดก็คือว่าปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่ามันมันมันเปลี่ยนแปลงไมได้มันเสื่อมไม่ได้คือไม่ใช่ว่าไอ้ความรักที่อย่างแม่กับลูกนี่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันเปลี่ยนได้เปลียนแต่ว่ามันจะนําปัญหามาน้อยกว่า ไอ้ความรักที่เกิดจากการเนี่ยจะนําปัญหามามากกว่าเช่นกา ร, รด่ากันการฆ่ากันอากาากาืการด่ากันการฆ่ากันการทิ่มแทงด้วยหอกคือป่ากการใช้ก้อนดินกา ร, รต่างๆอย่างพี่น้องยืมของกันไปเนี่ยพี่น้องน้องยืมเสื้อพี่ไปงานเลี้ยงมันไม่ใช่ใชของเราอยู่แล้วนะเรายืมเข้าไปเราก็ต้องมาคืนครับแต่บางทีเรายืมไปแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยอนี่เป็นของเราของฉันฉันไม่คืนเด้อหรอกวันนี้ก็เลยจะกลายเป็นปัญหาให้ด่ากันว่ากันนี่คือความรักที่เกิดจาก ทางกามทางการทีนี้ทําไมความรักทั้งที่มันมีโทษความรักทางการนะที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันมีโทษมากขนาดนี้แต่คนถึงยังไม่เห็นโทษของมันครับเพราะว่าเขารุ่มหลังไปในตามความสุขไงหวังฤาพงศ์นึกออกไหมคือมันมีอายตนะทั้งห้าอย่างนะมันดึงเราอยู่อพระเจ้าคืเปรียบเหมือนสัตว์หกชนิด่นะอืสัตว์หกชนิดที่ถูก ที่ถูกผูกเอไว้เชือกแล้วก็สัตว์ไหนมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงดึงจิตของเราไปได้ทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยห้าตัวเนี้ยมันเป็นแรงที่มันรวมกันอยู่อมันก็จะดึงจิตของเราให้ออกจากมโนธรรมรมครับเข้าใจไหมเพราะ้นมันจึงมีกําลังแรงในการที่จะดึงทีนี้ความสามัคคีของมันเนี่ยคือสามัคคีเป็นในทางเดียวกันก็จริงแต่มันก็ยังแย่งกันอยู่เหมือนกันไอ้าอันเนี้ยนะถ้าเรานึกถึงภาพภาพหนึ่งที่มีแรงข้างแรงข้างหนึ่งมีแรงชุด5้าแรง แต่ห้าแรงนี้ก็ยังกระจายไปในที่ต่างๆในดิเรกชันเดียวกันอยู่ครับอที่แครงไปเฉียงไปเยื่อไปบ้างอย่างเงี<ช>้ยมันก็ยังแย่งกันอยู่แต่ว่ามันไปในทิศทางแห่งความต่ําในขณะที่ทางที่มันจะดึงให้เราขึ้นสูงนะี่คือธรรมารมคือมโนปญญาอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีแรงที่ดึงอยู่อันเดียวอ๋อนะมันจึงแบบว่ามีแรงน้อยนะมันสู้สู้ไอ ห, ห้าแรงนั้นไม่ได้ห้าแรงนั้นคือสู้ยามกันก็จะต้องใช้กําลังจิตที่ค่อยๆฝึกเอาทําเอาได้ครับ ซึ่งเวลาที่มันอ่อนกำลังลงก็มีและเวลามันดึงเราเนี่ยแหมเอาอย่างง่ายเราไล่ไปถึงประสบการณ์นะเอาแค่วา่าอย่างที่เราดูหนังหรือดูการ์ตูนดูหนังสืออย่างเงี้ยมันก็จะมีอิทธิเนะสองอิทธนะดูการ์ตูนนะนะดูการ์ตูนที่เป็นหนังสือ น, นะก็คือทางตากับทางใจจะเป็นทางตาทางใจดึงเราอยู่เราเข้าเรื่องเราก็ติดตามถัดมาเราดูวิดีโอดูวิดีโอนี่ตาด้วยหูด้วยเพราะเรารูร้สึกว่าเราจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากกว่าเวลาดูวิดีโอที่เป็นการ์ตูน มากกว่าตัวการ์ตูนในหนังสือถูกไหมเพราะว่าหูมันดึงเราด้วยอสองอายตนะใช่แล้วอย่างไปกินข้าวในร้านอาหารอย่างเงี้ยเขาแต่งร้านอย่างดีมีดนตรีฟังอาหารก็อร่อยนี่เราถึงกลับไปบ่อยๆเพราะว่ามันดึงเราสี่อันเลยมืมตาหูหูลิ้นแล้วก็ใจ่ว่าคอนเซ็ปต์ว่าเป็นร้านแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยนะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยมันดึงหมดเลย ตากลุ่มชุมกลิ้งก่ใจดึงหมดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจึงเหนียวแน่นมากไอ้เรื่องพวกนี้อืฝังลึกเลยนะครับใช่จึงทําให้เกิดปัญหาต่างๆนะมีอเนกเป็นอเนกเกิดขึ้นพร้อมเพราะว่าเรื่องของความสุขที่เกิดจากทางกามความรักที่อาศัยกามกุลเป็นเหตุอืทีนี้พอคนมันรักแล้วมันยังไงมันจะกลัวเพราะคนรักแล้วมันจะกลัวกลัวอะไรกลัวพัสดุเสียใช่ กลัวพลัดแพร่จากของรักที่ของชอบใจผู้ชายบอกว่าความโศกเกิดแต่ความรักความกลัวเกิดแต่ความรักเมื่อพ้นแล้วจากความรักความกลัวก็ไม่มีความโศกก็ไม่มีแล้วความกลัวจะมีมาแต่ไหนเล่าถ้าเรารักคนอื่ น, ร, น, น, นรักคนนู้นรักคนนี้นะเรารักในอะไรของเขา ถ้าคุณรักในตาเขาในหูเขารักแล้วเขาหวังว่าเขาจะต้อเป็นอย่างนี้คุณเป็นความรักที่แบบว่ที่เป็นกามแต่คุณจะมี ค, ความเสี่ยงที่คุณจะเกิดปัญหาได้ครับเพราะถ้าเรารักในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามรักในคุณธรรมของเขาเช่นคนที่เป็นคนมีศีลฉันจึงรักเธ อ, อคนนี้เป็นคนที่อย่างน้อยยังรู้อะไรที่เป็นกุศลธรรบ้างฉันจึงรักเธอ อย่างนี้ก็ยังดีกว่าดีกว่าดีกว่านี่หรือเปลรักในคุณธรรมที่เป็นยิ่งขึ้นไปเช่นเรารักพ่อรักแม่เพราะอะไรเพราะท่านเป็นพ่อแม่เราให้ให้กำเนิดชีวิตเรามาเลี้ยงดูดูแลเราตั้งแต่เด็กเป็นผู้ที่มีอุปการะมากอย่างนี้นะเราอย่างผู้เช่าทําไมรักสาวกก็เพราะว่าสาวกทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถเดินทำตามคําสอนผู้เช่าได้เป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลกลักษณะของสังฆคุณนะนะครับเพราะความรักของเช่าจึงไม่มีประมาณคนไม่ดีผู้เช้าก็รักได้นะ องคุลิมานดูองค์กุลิมานหนาะข้า ค, คนมา999คนโอ้โหอย่างายุคพระเจ้ายังมีความรักในบุคคล น, นี้นะเพื่อที่จะโอ้ยเธอ ơi, เห็นความสิ่งที่ถูกต้องแล้วเธอจ ะ, อะทําให้พ้นจากตรงนี้ได้พระเจ้าจึงอาศัยความรักตรงนี้ในการที่จะอะบอกเขาสอนเขาคือคนพานหรือคนไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเกลียดใช่ครับก็จะมาเกลียดแล้วก็ไม่อยากยุ่งไม่อยากยุ่งด้ว ย, ยเข้าไปใกล้อ่า ซึ่งนี้ก็เป็นพุทธวิชชาที่การสนทนากับด้วยคนพานก็จะเป็นไม่เป็นมงคล อ, อกา ร, รไม่สนทนากับคนพานเนี่ยเป็นมงคลเพราะฉะนั้นถ้าเผอว่าเราเจอบุคคลที่เราไม่โปรดโปรดไม่ได้ไม่สามารถให้ชี้แจงให้เขารู้ข้อมูลที่ลึกซึ้งขึ้นไปได้เราอย่ายุ่งกับเขาคนนี้ <หา S 1> ก็ <Hawaii. S 1> stay away เลยครับแต่ถ้าเป็นคนที่เรายุ่งสามารถบอกเขาได้ก็จะเป็นลักษณะของพุทชาที่มีความกรุณาปราณีตรงนี้ก็จะใช้คําต่างกันออกไป เราก็ใช้คำว่ากรุณาเป็นผู้มีความกรุณาหวังความเอ็นดูเกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอคือมุ่งหวังให้สัตว์นั้นเนี่ยพ้นทุกข์คนไม่ดีนี่นะหมารพงศ์แม่น่าสงสารนะครับเพราะว่าเขาไม่ไม่รู้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่ไม่เขาทําสิ่งไม่ดีซึ่งจะพาให้เขาไปไม่ดีพอเขาไปไม่ดีแล้วเขาก็จะได้รับทุกตลอดกาลนานออืืมมกว่าจะหลุดขึ้นมายากนะครับใช่ใช่ีครับเหมือนจะต้อง มีมีคนที่มีเมตตาการุณามากกว่าคนปกตินะครับที่จะมาช่วยเหนืดดึงขึ้นให้หลุดพ้นจากหลุมแห่งความไม่ดีกรุณาอย่างเดียวไม่พอต้องมีความสามารถด้วยครั บ, ค, รบคนนั้นคนที่ช่วยจะต้องมีศรัทธาในคนนี้หรือคนนี้จะต้องมีกุศโลบายกุศโลบายอย่างไรทําให้คนนั้นมีศรัทธาในเราได้อย่างเงี้ยครับศรัทธาพอมีศรัทธามีความมั่นใจกันแล้วมันก็จะฟังกันได้ละอย่างสมมุติอ้าวดูแค่หนุ่มสาวรักกันอย่างเงี้ย แรกฟังกันดีทุกอย่างชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เฮ้ยชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกได้ใช่ไหมโอ้ oh, ใช่ฉันเห็นด้วยกับเธอจริงอันนี้เป็นอย่างนั้นแน่นอนเลยแต่พอไม่รักกันเมื่อไหร่เลิกรักกันเนี่ยมันเป็นอย่างอื่นไปหมดทําอะไรก็ไม่ถูกใจทํำอะไรก็ไม่ชอบใจเป็นแบาการทุกอย่างแค่นั้นเองเพราะาอาศัยความที่เราลําเอียงเพราะรักไงปกติสอย่างจะได้มไหมลา <ำ S 1> เอียงเพราะรักก็เียงเพราะกรธ เราเมียงพระโลภเราเมงเพราะกลวัวอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่ากรรมกิเลสสี่ประการกรรมกิเลสกรรมกิเลสครับใช่ทีนี้ว่ า, เ, าเรื่องของความรักนี้เราจะทำไงต่อใช่ไหมรเราเห็นโทษของมันแล้วในความรักในลักษณะของการบังคุณคร เ, เราเห็นแง่มุมที่ว่าโอ้ทำไมเราถึงไม่ทําตามแต่ยังไปลุ่มหลงในความรักประเภทนั้นอยู่เพราะว่าเรายังไม่เห็นโทษของมันอย่างแท้จริง S <S นี่เรารกำลังพูดถึงโทษของเขาเนะี่ยถ้าเราประกอบเห็นโทษของความรักประเภทนี้อย่างมากแล้วเนี่ยแล้วไม่เห็นคุณประโยชน์ของความรักที่เกิดจากความสงบในภายในเนี่ยคุณจะสามารถระวังความรักที่แบบชั่วช้าหลามกพวกนั้นได้ครับอ่าคือหมายความว่าเอางี้เอาง่าย <S <S <S ง่ะสมมติว่าคุณยังชอบผู้หญิงอยู่ชอบผู้ชายอยู่ชอบเพศตรงข้ามอยู่คนนี้ก็หลอ่อคนนี้ก็สวยอย่างนี้เนี่ยครับแสดงว่าคุณยังไม่เห็นโทษของการความสิ่งเหล่านั้น แล้ว<ม>คุณก็ไม่ได้เคยนั่งสมาธิไม่เคยจะรู้เลยใบความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นยังไงเพราะคุณจะไม่มีทางมานั่งสมาธิหรอกยากเลยครับใช่ครับมไม่เห็นประโยชน์ใช่ไหมครับจนกระทั่งเมื่อไหร่ก็ตามอาจจะมีเพื่อนดีจะพระจับปลุกได้ไปอ่านหนันงสือธรรมะได้เจอกรูบอาจารย์ดีเขาแนะนําให้ลองทําดูปรากฏเห็นผลเนี่ยหรือว่าเห็นทุกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยลองไปแก้ทุกดูปรากฏว่าได้ผลเขาจะมีความรู้สึกว่าโอ้แม่ไอ้ความสุขที่เกิดจากความสง บ, บนี่มันกระดิมกันนะ พอเขาทํามากๆอย่างนี้แล้วเห็นโทษของความการมคุณเห็นโทษของความรักที่เกิดจากการเห็นประโยชน์ของความสุขที่เกิดจากในกคำมะเนี่ยเขาจะละไอ้สิ่งที่เป็นกามคุณได้อือแสดงว่าสุขอันหลังเนี่ยก็เป็นสุขที่ละเอียดเป็นความรักเป็นความสุขที่ละเอียดยิ่งขึ้นครับอย่างเรารักที่จะนั่งสมาธิกับเรารักที่จะไปกินอาหารร้านอร่อยเนี่ยความรักที่จะนั่งสมาธินี่ดีกว่า ครับอ่าดีกว่าความรักที่ของชายหนุ่มหญิงสาวอืมตรงนี้อาจมามีประเด็นเพิ่มเติมนะจากการที่ได้ไปนั่งสมาธิหลีกเรนมาหลายหครั้งเนี่ยที่พู้เจ้าครพูดถึงเรื่องของจิตดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นขับดับไปนะอ่าใช่ครับที่ว่าเอาจิตเนี่ยปลูกพันยึดติดในกายดีกว่ายึดติดในในจิตจะ่มายที่ว่าถ้าบอกว่าเรายึดถือว่ากายนี้เป็นของเราเออคุณยึดถือไปเลยยังดีกว่าคุณยึดถือว่า เอาจิตจเป็นตัวเราของเร า, เเราใช่เพราะว่ากายที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสีเนี่ยมันเสื่อมไปนะร้อยปีห้าสิบปีหกิ 60, ปีร้อยปีเสื่อมไปได้แต่สิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยมันมันไม่ได้เสื่อมไปดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นตลอดดับไปตลอดอันตลอดเกินเพราะฉะนั้นถ้าเราจะยึดถือสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งยึดถือกายยังดีกว่าตรงนี้ทำไมเห็นยังไงมุมที่ว่าบางทีเนี่ยจิตเนี่ยมันปล่อยวางยากนะครับ ถ้ายึดมันในจิตมันมองไม่เห็นใช่ไหมครับอาเพระนนั้ถ้าเร า, ายึดมันในกายแล้วยังปล่อยวางได้นะมันยังจะดีส ก, กว่าท<น>าให้เป็นอย่างตัวอย่างที่พูดมาสักครู่ว่าคุณเสพ เ, เห็นโทษของการมากๆพราะคุณยึดถือในกายใช่ไหม ค, คุณจึงจะเห็นโทษของมันได้สักวันหนึ่งแต่ถ้าคุณยึดถือในจิตนะว่าฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างเนี้โอ้โหนี่วางยากให้คุณไปยึดถือในกายซะยิ่งจะดีกว่าเข้าใจไหมคือมันความยากง่ายมันจะคนละประเด็นซึ่งเราอาจจะมองไม่ได้เห็นมุมนี้มาก่อนนะ เพราะถ้าท่านฟังรู้สึกว่าฉันยังติดอยู่ในกายมากเลยดีแล้วดีกว่าถ้าฟังไปติดอยู่ในจิตเพราะว่าอะไรฟังไปฟังไปห้าปีสิบปีดาวดูโรสจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวคุณปล่อยวางกายคุณได้เองคุณอกหักมนสักสิบรอบเนะ่ะคุณก็ขยาดแล้วที่จะไปมีแฟนใช่ครับกออ็อย่างอย่างจะเกิด คนบางคนมีคนรักรักกันมากแล้วคนรักเกิดเใีย oh. ชีวิตกระทันหันเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. มันช็อกช็อกซีนิม่านะครับแล้วกว่าจ ะ, จะาไปหาแฟนใหม่หรือว่าอะไรใหม่มก็คงจะเลิกกันไปหรือไม่ก็เลิกหาหรือไม่ก็คงจะเป็นนานอะ่ะกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยครับกว่าจะหายช็อก <laughs> แล้วถ้าอ่าตอนนี่คือเรื่องของคนอื่นนะเรื่องของคนอื่ว่าเราเห็นคนอื่นตายคู่ชีวิตของเราเสียไปอย่างเงี้ยนะครับอืมเอ่อ ประเด็นตรงนี้ตรงหนึ่งที่คุณหมอธปงตัวอย่างที่คุณหมอธปง์พูดเนี่ยก็คือถ้าเราลักษณะของบุรุษอาชานายประเภทที่สามที่ว่าคนใกล้ตัวญาติสายเราหิตตายทำไมเราเห็นประเด็นแง่หมูม่ว่าเอ้เราควรจะต้องปล่อยวางกายนะเราควรจะต้องปล่อยวางจิตนะอันนี้คุณจริงจะเป็นม้าอาชแนลประเภทที่สามที่ถูกประดักแทงเข้าไปนะัทลุหนังจ่ออยู่ที่เนื้อครับออย่างนี้การ เ, เรื่องความรักเนี่ยพอ ในระดับแรกก็คือเรื่องของกรรมคุณรดับที่สองเรื่องความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วก็มีระดับที่สูงกว่านี้ไหมครับท่านระดับต่อไปที่ใจที่สามารถจะพัฒนาขึ้นไปได้ไมีหครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆคือส่วนที่เป็นอกุศลกุวนที่เป็นกุศลใช่มครัครับแต่นี้ ใ, ในความรักส่วนที่เป็นกุศลเนี่ยที่เรายกตุอย่างของความรักของพ่อกับแม่ต่อลูกนะกับความรัก ของคนมีศีลบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็ยังไล่ไปถึงความรักของพระอริยเจ้าความรักของพุทธเจ้าวพวกนี้ก็จะละเอียดลึกซึ้งขึ้ น, นไปซึ่งรตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แบ่งไว้เป็นขั้นตอนแต่หมวดหมู่เนี่ยเราพอจะค่อนข้างจะขยายความได้ในลักษณะว่าเอาเป็น2หมวดนะ ค, ค, คือถ้าจะแบ่งตามลักษณะของความสุขเรก็จะแบ่งได้2หมวดแต่ความสุขที่ค่อนข้างชัดเจนพระพุทธเจ้าแบ่งเป็นระดับของสมาธิทั้งหมด10ขั้น9กขั้น นะความสุขมีสิบระดับแบ่งเป็นสมาธิเก้าขั้นแล้วก็ส่วนที่เป็นกา ร, รมสุขอันหนึง่งทีนี้ในเรื่องของความรักนะความรักก็จะแบ่งเป็นแค่สองหมวดเนี้ยโดยที่ไม่ได้บอกว่ารักรั ก, รกยังไงคืออย่างไรก็ตามเนียความรักชันทะเนียมันต้องละให้หมด ค, ความความทุกข์ทั้งมวลมีมูลเหตุมาจากความรักนั้นในขณะเดียวกันถ้าคุณมีความรักฉั้นทะเนี้ยในที่ตั้งไว้ในนิพพาน ในความที่เราจะดับสิ่งพวกนี้ชันทะตรงนั้นก็จะเป็นใบเพื่อมักเป็นมักเป็นหนทางแต่ถ้าเราตั้งชันทะไว้ในการเสพกรรมคุณชันทะนั้นก็จะเป็นเหตุแห่งความทุกข์ก็จะเป็นเพราะนั่นเป็นบริไฟ Li น์แบบเส้นบางๆมากๆเลยใช่ครับคุณมีความรักคุณมีความรักแหมถ้าคุณรักในสิ่งที่เป็นทุกข์อันนั้นคือเป็นจะเป็นเหตุของทุกข์ความรักนั้นจะเป็นเหตุของทุกข์ ฟังให้ดีนะถ้าคุณรักในสิ่งที่จะเป็นทุกข์คุณรักในสิ่งที่เป็นทุกข์นะเช่นกคนรักสัตว์รักท้องฟ้ารักพวกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นถ้าคุณรักในสิ่งที่เป็นทุกข์ความรักของคุณนั้นเป็นเหตุของความทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าถ้าสิ่งนั้นเ ป, นเปลี่ยนแปลงไปคุณสุ่ยเลยคุณคุณม<ช>ีความทุกข์แน่นอนแต่เพราะว่าคุณมีตัณหาในสิ่งนั้นชั้นทะใช่ไหมคือตัณหาคือความรักใช่ไหมคุณมันเปติดกับอะไรสิ่งนั้นเป็นทุกข์ของเราทันที ใช่ไหมแต่ถ้าไอความรักของเรามันไปติดกับนิพพานครับให้ความรักตรงเนี้ยเป็นมรรคเข้าใจไหมฉันทะตรงนี้เป็นมรรคเป็นหนึ่งในไม่เปลี่ยนแปลงใคอ่าเป็นหนึ่งในอ่าก็เรียกว่าอิทธิบาสีอือิทธิบาสีอ่าฟังให้ดีอีกครั้งหนึ่งถ้าความรักฉันทะของเราไปติดกับความสิ่งที่ใดที่เป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงความรักของคุณนั้นเป็นเหตุของความทุกข์เป็นหนึ่งในตัณหาเป็นหนึ่งในอสมุทัย ถ้าความรักของคุณไปติดกับ น, นิพพานะความรักของคุณตรงนี้เป็นมรรคเป็นหนทางออกของความทุกข์ซึ่งมันก็ตัวรักตัวเดียวกันนะ่ะถ้าคุณมีความรักกับสิ่งที่เป็นปัญหาได้คุณก็มีความรักกับสิ่งที่แก้ปัญหาได้มันไม่ได้ยากเลยแค่มองมุมใหม่นิดเดียวอืพลิกพลิกกลับใจเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็คิดว่าถ้าผมว่าเรารักให้ถูกต้องแล้ว มองความรักให้ถูกต้องโดยแทนที่จะมองเรื่องของสิ่งที่เป็นทุกข์เราก็ามารักในสิ่งที่ปราศจากทุกข์ครับนั่นคือความดับไม่เหลือของทุกข์ใช่ไหมคือ<ช>ความที่ไม่มีตัญหาคุณไปรักในสิ่งตรงนี้แล้วเนี่ยความรักของคุณนั้นจะสูงขึ้นมาทันทีจะเป็นความรักในลักษณะของพระอริยเจ้าที่เดินอยู่ตามมรรคที่เดินไปถนทางที่จะทําให้ถึงความทุกข์ของเราเนี่ยมันไม่มคีความดับแห่งทุกข์ใช่ครับนี่เรียกว่า เป็นในเดือนหน่งความรักถ้าเราได้ยกระดับของความรักให้สูงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นมรรคเป็นผลเลยนะครับใช่ใช่เราก็ค่อยยกระดับยกระดับขึ้นไปได้ครับโดยการนี้เราค่อยๆแกะค่อยๆล้างค่อยๆเช็ดค่อยๆขูดค่อยๆทําให้มันเหมาะสมในจิตของเราจากความรักที่ชนิดต่ํำแล้วก็พอล้างเช็ดแกะขัดมันออกไป ความรักของเราก็จะค่อยหันมาทางสิ่งที่เป็นความทุกข์ได้ครับไม่น่าเชื่อนะว่าความรักจะทำให้เราทุกข์ได้อครับเพียงแต่รักให้ถูกต้องใช่ไหมครับใช่มีความรักให้ถูกทิศทางครับคนที่พยายามจะเปิดประตูโดยที่บานพับของมันไปอีกด้านหนึ่งยังไงเาก็เปิดไปได้ใช่ครับติดบานพับคุณก็จะเป็นผู้ได้รับส่วนในความทุกข์เสียเปล่า ค, ค, คุณจะคุณจะผ่านไปเปิมันถูกทางก็จบแล้วอืจริงครับเดื่องแห่งความรักเพราะฉะนนั้ในเรื่องของเดือนแห่งความรักเราคงจะมีจบพูดถึงแค่ตรงนี้เน้อหมอทุกคนเนา ะ, านาะแล้วจะมีใค ร, ร, รมีประเด็นอะไรสรุปว่าวันนี้เราพูดอะไรไปบ้างก็เรือ่องของความรักมีหลายระดับแก็คือในความรักแบบอ่ากรามคุณก็คืออือติดกับอตาหูจมูกลิ้นกายนะครับ นั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ควรละนะครับให้แล้วก็ควรยกระดับความรักให้สูงขึ้นความรักแบบที่ไม่หวังสิมตอบแทนแล้วก็ความความรักที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์นะครับก็คิดว่าคนที่ฝ่ในทางธรรมะก็คงจะเห็นประโยชน์ในส่วนตรงนี้นะครับรักรักในถ้าผู้ฟังมีคำถาม สงมาที่เปียวธร m มะคอมนะครับคือถึงแม้ว่าจะมีเรื่องใดที่เราพอจะอถึงแม้ว่าจะมีเรื่องใดที่เราพอจะพูดคุยให้มันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาเราก็พูดได้อย่างนี้เราก็พูดถึงเรื่องของความรักนะครับแล้วก็ค่อยๆอที่จะแฝงความไม่ต้งฟังฟังในตอนต่อไปครับก็พบกันใหม่ในคราวหน้าเอพิโซที่เท่าไหร่คราวหน้าคราวหน้าก็เป็นหกสิครับเอพิโซดหกสิโอเคังนั้นวันนี้ก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า ครับธรบ ร, รมัดการขอ บ, รบพระคุณพรอาจาร ย, ย์ไพบุญอภิปุโนโครับและกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับทุก